ครูตั้งใจสอนนักเรียนเป็นการสะกดจิตปลุกเสกเด็กบทสรุปอยู่ที่ว่าการทำสมาธิเป็นการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่นักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้าห้องเรียนเวลาอาจารย์มาสอนมองจ้องครูอาจารย์เพ่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่น เมื่อปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่อาจารย์มาสอนเขาจะได้สมาธิในการเรียนทีนี้มันมีกฎธรรมชาติอยู่ว่ากฎอันนี้ไม่ค่อยมีใครคิดถึงเวลาอาจารย์สอนลูกศิษย์เนี่ยเขาจะรวมกำลังจิตและวิชาวความรู้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อย่างตรงไปตรงมาถ้าลูกศิษย์เอาใจใส่จดจอ่อก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตและวิชาวความรู้จากอาจารย์อันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของวิชาสกดจิต การสะกดจิตนี่เขาพูดกล่อมคนที่ถูกสะกดให้เกิดความหลับในเมื่อคนที่ถูกสะกดเกิดความหลับแล้วเขาจะพูดในทํานองปลุกเสกเอานะฉันจะปลุกเสกให้เจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอํานาจมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดปราดเปรืองให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงสมบูรณ์ให้ร่างกายของเจ้าแข็งเหมือนรางเหล็กและบางทีเขาก็จับเด็กที่ถูกสะกดเอาหัวพาดเก้าอี้ตัวหนึ่งขาพาดเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตบตบตบฉันจะสะกดเจ้าให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงเหมือนรางเหล็กจะเอาของอะไรหนักๆมาวางทับลงไปเจ้าก็ไม่อ่อนคนมาขยมอยู่บนหน้าท้องเจ้าก็ไม่อ่อนลงแล้วเขาก็ทำได้เด็กอายุสิองปีนี่ผู้ใหญ่มายืนขยมขยมอยู่บนท้องมันมันไม่อ่อนลงให้มันกลางแขนออกไปกดลงมามันดีดผึงดีดผึงเหมือนดีดต้นไม้